โอดีใจกับพวกเราดีาใจกับพวกเราทุกคนไนะาย อ, ยานอาญาใจนะทําบุญแล้วบุญก็ให <force> ้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองบุญรักษาคนพระคุ้มครองเทวดาปกป้องเยู่เย็นเป็นถุกทุกข์เท่านั้นนะถ้าวันจะเข้าพรรษาเตรียมพร้อมพร้อมถ้านจะเข้าพรรษาเตรียมพร้อมพร้อมเหมือนกับพระสงฆ์พระเจ้าเนี่ยเตรียมพร้อมพร้อม ให้สุขภาพใจแข็งแรงสุขภาพใจแข้มแข็งนะนะอย่าลืมอย่าลืมภาวนาพุทธทอทำนดอยสังขวาไว้อนะ่าดินทงกับผู้มีบุญลงทุนกับผู้มี บ, บ, มบรารมีนี่นะอ่าประสิทธิุปเข้าใจไหมอืมดินทางกับผู้มีบุญลงทุนกับผู้มีบรารมีนี่คือพระพุทธเจา้าพระพระทธเจดผร้ละหัเนี่ปาะ ส, สิทธิซุปนะ อ่าขอบอก่เป็นแนวความคิดเอาไว้อันนึีน้ว่าไม่ให้ลืนอ่าอยู่ในเส้นทางอย่างชีวิตอ่าชีวิตคือเป็นของที่ไม่เที่ยงแต่จิตใจทใีใ่มาในชีวิตนะต้องศึกษาต้องศึกษาให้ความรู้ศึกษาได้ความรู้ก็บุญธรรมำนําไปประพฤตปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านผู้รู้จริงที่ได้ไปทพ้นนิพพานแล้วเข้าสู่มรรคผลนิพพานไปแล้วแต่ขอ ่าฝากแนวความคิดของพวกเราพวกเราก็มีนามคําว่าพุทธเหมันกันแต่ว่าพุทธโยของพวกเรายังไม่ได้เจริญในให้เป็นพุทธวยที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเข้าใจไ่าพุทธโยของพวกเรายังเศ้าหมองยังไม่ท่องใสยังมีโอกาสที่จะต้องหาโอกาสที่จะต้องเข้าวัดจำจำจาฉันภาวนาถ้าสุขภาพกายมีสุขภาพจิตเข้มแข็งนะพยายามตั้งอกตั้งใจไว้อย่างนั้น อนะการสืบทอดพ ร, ระพุทธศาสนาหรือว่าสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเป็นของสําคัญเป็นการต่อเติมเสมพระพุทธศาสนาเลือว่ารักษาพระพุทธศาสนาไว้อยู่ในกายในใจของพวกเรานะพวกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาโอกาสจะได้หาได้ยากสัตว์เขาไม่ได้เหมือนกับพวกเราแต่เราก็เป็สัตว์เหมือนกันแหละเขาก็สัตว์ที่ว่าผู้บอกพ้องผู้ท่องเที่ยว แต่พวกเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเกิดขึ้นมาทั้งทีชีพได้พระพุทธได้พระพุทธศาสนามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพาหลายท่านหลายองค์แต่ท่านก็เป็นผู้บอกผู้ชี้แนะท่านแต่ทำให้พวกเราไม่ได้เหมือนพระพุทธเจา้าเขยไม่ท่านจะทำให้พวกเราไม่ได้ถ้าทำให้เราได้พวกเราจะไปพร้อมท่านแล้วแต่มีพวกเราก็ยัง ่การอยอดในการที่ว่าวัตจักรวัตเวรยังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพุใหญ่ไม่ไม่ไม่ยังไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะถึงที่ไหนอย่างไรเมื่อร่างกายทํำลายแต่แยกกันไปกับจิตจับใจแล้ว จ, จะอยู่ที่ไหนคิดเอาไว้หรือเปล่านะอ่าต้องเต ร, ร, ร, รียมพร้อมผู้คนไม่ประมาทเพราะนามของใจชื่อของใจไม่นคือใจเนี่ยนะไม่มีตัวมีตนแต่สภาวะ มันดีความรู้เป็นพื้นฐานของตนเองเคื่อพุโทโธกว่าได้พุโทโธที่ยังไม่เจราาิญไนยังไม่ใช่บริสุทธิ์ยังไม่หลุดพ้นเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนท่านจะตัตสรู้ก่อนท่านจะ เ, เข้าสู่นิภานทัน้งเจราาิญในพระใจใจของเราให้บริสุทธิ์เข้าใจไหมด้วยการภาคเทียนพยายามาตั้งบอกตั้งใจไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ลดละเอือนันนะอถึงจะเสร็จออก จากพระราชวังแล้วท่านก็ยังสืขาหาความวกโคนนู่ณธรรมจะต้องจะต้องหกปีก่อนจะได้ตัดสโลเห็นในพระองค์มุ่งมั่นจริงจริงมงมั่นจริงๆงริงถึงขนาดเพรา ะ, ระาว่าพุทธเจ้าของเราก็ยังไม่ตัดสูนะสสลนะหาหาเสาะแสวงหาความผู้คู่คนธรรมคนสุดท้ายพระองค์ก็ได้จุดที่ได้ จะได้ตัดสลูกก็คือน้องเขามาสู่พระไทยในใจของพระองค์แต่ก่อนกนรู้ว่าอันนี้นเป็นเหตุอันนี้เป็นปัจจัยสำนักนั่นดีสำนักนั่นประเสริฐอย่างนั้นอย่างนี้ไปศึกษาตามฤาสีโยคะเทปไยต่างๆยดยจนตั้งหกปีมาเพราะพวกนั้นสมัยนั้นยังไม่มีพระเจ้าอุบัติขึ้นในโลกว่ามันพระองค์กังพระไทยแม่แม่พระพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ อยากจะตัดเซลลอยากจะหลดพ้นจากการเยันไร้ตายเกิดว่างนปะนะ่นแต่ยังสอดสแวงหาอยู่เพราะพระพ ธ, ธิสัตว์พระพธิสัตว์เพระว่าพอตี่ัวความคิดอันยิ่งใหญ่ อยากจะค้นหาทำบันชีทําให้ตนได้ได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเขาใจะไม่นะตั้งแต่นู้นตั้งแต่ท่านูบัตรขึ้นมาประสูติขึ้นมาทั้งก็รู้เลยว่าโธ่เราจะเกิดมามันเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เป็นของง่ายนะอเราจะใหเหมือนบากบันภาคเรียนพบมีชาติไี่ให้ถึงที่สุดให้หลุดพ้นจบได้อพวกใบด้วยนะนิชี้มือขึ้นบนกว่าชีฝ้ฝาลมแผ่นดินปฐพีเลยว่าอโคหามัสณีโลภัสสะแท้เถหะ ธรรมัติมิโลกัสเสถุธมัติิโลกัสไอเงันุงลายชาตินัติดานิปุณโปเห็นไหมนั่นคือพระโพธิสัตว์ของเราขนาดยังไม่ตัดสู้ังยึดมุ่งนั่นแล้วพอพระใจรปิฎพระองคเนื่องไว้ซึ่งพระโพธิญาณให้ได้ตัดสู้พราะเราศึกษาอย่าต้องหกปี อเพื่อศึกษาเพราะเพราะอะไรจรึงจึงยราไศึกษาเพราะว่าโลกในยุคนั้น่ะเขาถือคนนั้นถือคนนี้สานักนั้นสนํานกนี้อฤาษีดาบฤโยคะโลหิตต่างๆว่าเป็นผู้ประเสริฐว่าเป็นผู้ละหันเป็นพระละหันก็มีอข้าเนี่เป็ น, รนพระละหันนะแต่พิธีมพระพุทโธของเราผู้พระโพธิษัตวของพวกเรานี่เพราไปศึกษาไม่ใช่ไม่ใช่พระละหันที่แพ้จริง ยังเพียงแต่อ่าปรารถนาลัวระยามเสาะเสวงหาทามออกหยุดแต่ยังออกไม่ได้เนี่ยพระองค์ดูเลยไหนเพราะว่าพระองค์ศึกษาตามตามที่อฤาษีที่ว่าอุฤาษีสองตนที่พระองค์ที่ไปศึกษาเนี่ยนะศึกษาเรื่องเรื่องเรื่องโรูประชันโรู ป, ประชันจนได้สำรา บ, บันพระองค์ไปศึกษาพระองค์มาทําได้โดยรวดเร็วอย่างชับ ฉับพันรวดไวรวดเร็วอย่างคล่องแคล่วว่า ง, งันเพราะองค์มีทุนฐานของพระองค์อยู่แล้วเมื่อศึกษาแล้วก็ไม่ใช่หนทางที่จะจด็ดตัดสลูเพราะได้เพียงสติสมาธิแต่ขาดขาดอะไรคือขาดปัญญาที่เอาไปแยกแยะปัญญาในทางพระพุทธศาสนาคือปัญญาให้พิจารเรื่องรูปและนาม ถ้าให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่โลกทั้งหลายเขายึดรูปยึดนามเพราะว่าบางทีตายแล้วจะไปเกิดตรงนั้น้ะเกิดตรงนี้ไปเกิดเป็นอย่างนั้นเป็นเกิดอย่ น, นี้ทํำบุญทนนานอะไรต่อมิอะไมิได้ปรารถนากันทั้งนั้นแต่ไม่ได้หาทางออกแต่พระพุทธองค์เออว่าเพราะเราทีสัตว์ของพลกเรานี่ก่อนจะได้ตัดเข้ารู้ท่านก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตั้งหกปีแต่หาทางออกยังไม่ได้ฉะนั้นพระองค์จึงอ่าย้านอนเข้ามาโดยพระทัยใจของพระองค์ว่าเออคงจะเป็นอันนี้ เป็นเหต้อนไปถึงขณะที่พระองค์ได้อ่าอย่าได้อ่านอนอยู่ใต้อ่าล้มล่มต้นว่าตอนอพระราชบิดาภาพไปแรกนาขวัญอย่างไร พระ อ, องค์ก็เป็นลูกชาวนาพระกษัตริย์สมัยนั้นยุนั้นก็เป็นกษัตริย์ที่ทํานาเหมือนกันล่ะนะเราไปเห็นเมืองกบิลระพัสดเออตรงนี้เป็นเมืองกบิลละพัสดเก่าล้อมรอบด้วยทุ่งนาเออใช่าเป็นอย่างนั้นจริงๆริงใช่ดังนั้นพันต้นแรกงานขวญแลพระ อ, องค์ก็เป็นเดาไว้หนุ่มหน้ายังนอนอยู่บนเตียงเลยพ่อองค์ไม่มีใครยีดหยอกไม่มีใครรบกวนด้วยนอ่าคนที่ แม่เลี้ยงนางนางก็ไปด้วยว่าเขากําลังอ่ะทําวิธีพิธีแรกนาขวนพระองค์ไม่มีไม่มีใครรบกวนด้วยหรอกพระองค ก, นกหนดลมหายใจเลยน่ะนะอเป็นเพิ่งแล้วเรื่องของสติน่ะพระองค์จึงจึงเช็ดได้ขนาดนั้นแหละทําให้จิตทําให้ใจทําไมพระองค์ใจพระองค์เข้าสู่ความสงบทั้งฐานคืออัปปนาสมาธิวงเงินแต่น่ะเมื่อถึงฐานเออเมื่อถึงฐานเออ เ็รู้ว่ากายกับใจไม่ใช่ันเดียวกันละบัณฑิตนั้นแหละนี่รู้ว่อกายกับใจใจกับใจมนใครใจร่างกายกับใจไม่ใช่เดียวกันเหมือนกับรถกับคนกับรถเหมือนกับบ้านกับคนกับบ้านไม่ใช่เดียวกันถ้าทําจิตคือสมาธิเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วจิตจะต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นเอาอะไรมาคิดไม่ได้ไม่คิดไม่ได้เพราะเครื่องมือคือคือรูปนามนั้นมันไม่เอามาใช้ในขณะนั้นไม่ได้เพราะจิตแยก กายและจิตมันแยกจากกันออกมาไม่แต่สภาพความรู้เท่านั้นจะคิดอะไรไม่ได้จะรู้แต่คิดอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีสังขารเป็นเครื่องมือใช่ไหมไม่มีสัญญาเป็นเครื่องมือไม่มีเวทนาไม่มีรูปเป็นเครื่องมือจะมีแต่สภาพความรู้เนี่ยพระองค์ได้เอาเอาสิ่งที่พระองค์ได้ประสบพบขณะที่พระองค์ได้ กำหนดลมเข้าลมออกในขณะที่พระคยังเยาว์นะพระองค์เคยชิดย้อนมาในขณะที่ไปศึกษาหาความรู้จักสำนักต่างๆจะตัง้ง6กปีพระองค์เป็นไมพระ อ, อไม่ใช่ เข้ามาย้อนเข้ามาอ่าย้อนเข้ามาแล้วชิดได้ในขณะที่พระองค์อ่าได้กำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าออกเป็นเครื่องระลึกของสติสติก็คือจิตนี่นะโอาจิตเขาไปโผล่ ก, กับลมเข้าลมออกจิตก็เลยวางจากอารมณ์ละว่างจากอารมณ์ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นอ่าจิตมีดวงเดียวต้นั่นใจดวงเดียวเท่านั้นอ่ะจะว่าจิตก็ได้ว่าใจก็ได้ว่าไม่โง่ก็ได้แต่ว่ามีสิ่งเดียวมีความรู้อย่างเดียวเท่านั้นล่ะนั่นอ่ะอันนี้เป็นพุทธ ฐานของของของของความดีแบบพื้นฐานที่จะให้เราฝึกขัดพัฒนาภาวนาเกล้าในเมื่อเราเคยใจรือว่าเมืเอ่อเรเคยสภาพผู้รู้วันนี้ล่ะให้ให้บริสุทธิ์หลุดพ้นเหมือนพระพุทธเจ้า พระพีทธเจ้าท่านก็รละลึกนึกในขณะนั้นถ้าองค์ก็กําหนดลมเข้าลมออกใต้ต้นเสมาหาพธต้นใหญ่ต้นไซแม่หนะใบหนาจะไหมไม่ได้ดูได้ปาส า, ารและสมุนเพียนวิมานโออาอะไรหนะรืนะสร้างบารมีมาเสียสมแข็งกำไรแสนมาหากรรธก็ไม่มีอะไรมาช่วยพอสุดท้ายพระองค์ก็ระลึกนึกขึ้นมาว่าวิชาเจารนาสัมปโนร้อมความรู้สึกนึกเข้ามาในสุดจุดเดียวเลย เอาลมเข้าลําบอกเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเรื่องระลึกของจิตเข้าใจไหมไ ด, ได้ที่นั่งอ่ากระบลังที่นั่งก็ไม่ใช่อะไรล่ะไม่ใช่เสือลำแพร่ไม่ใช่อะไรล่ะนะไม่ใช่อ่ะเสือลำแพร่ไม่ใช่เสือใช่พรมอะไรอย่างดดเดียวได้เพียงอลากุศลแปดกำมือของตะกุศล ม, มัเลกะไปถวายให้ท่านนั่งอยุ่บนลาโพอด ตะปุกตะปับสมงมต่ำตำก็เลยชิดเลื่อมใสเลยพ่อค้าชาววาม่าเนี่ยลยคิดเลื่อมใสพระโพธิสัตว์ว่าโอ้เือนกับท่านอยากหาที่สงบดโดยหน้าเลื่อมใสหน้าระเบนของท่านกําลังจะให้ผลนะอดีสมกําลังจะให้ผลมีความชิดน้อมเอาย่าขายยาพุสาติเนี่ยคนละสีกํามือไปถวายพระ อ, องค์ประสานกันก็หัออวท้ายหัออวท้ายละก็อีที่พอ น, นั่งทับรากพอละกั ขัดบัลลังคือขัดสมาธิแล้วนะถึงพบเข้าหรือพระ พ, ะพบค้ามหรือพรองก็ได้นั่นแหละตั้งจิตอธิฐานวว่าอ่ตั้งใจน้อมใจคือความคิดน้อมความคิดคือความรู้จิตคือความคิดใจคือความรู้มาจุดเดียวอะไรยงไงเพราะจิตเนี่มันไม่มีตัวตนจะมันเชืดอสายไปสารพัดที่มันคิด มันคิดไปอ่ะฉะนั้นถ้าอปปะ้อมเข้ามาน้อมเข้ามาแล้วลึกนึกเกน้อมเข้ามาโอปปะนาจะโก้คาหน่อยสิ่งที่เคยคิดคิดมามากแหละไร่กับไร่กันก็ว่าได้อ่าคิดขณะที่เราอุบัติคิดมามนโลกเกิดขึ้นมาก็คิดแต่ละวันมันส่งไปอะไรแต่ไม่อะไรไม่แต่คิดออกไปนอกจายนอกทุกอย่างฉะนั้นเราจะบังคับความคิดด้วยความรู้สึกคือสติสัมปชัญญะให้โยปันเป็นปัจจุบัน ตั้งศรัท ธ, ธาความเชื่อภาษาธาความร่วมสยวิริยะความภาคความเบียนขันติอดกั้นทําทานตั้งสัจธรงไปถ้าไม่พบสัจ ธ, ธรรมไม่ตัดสุาวัคธรรมในวันนี้ในสถานที่นี้ในบรรลังนี้เราจะยอมตายไม่ลุกเลยนั่นใช่ไหม เข้ามตั้มมัน่นแหะตั้งมั่นนะกายก็บังคับนั่งสมาธิขัดสมาธิขัดสมาธิ อ, อนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำใจให้ตรงดันลมสติให้มั่นกำหนดลมเข้าลมบอกเป็นเครื่องลึก ข, ของสติเป็นเครื่องรึ้ลึกของจิตเพราะจิตเป็นนักท่องเที่ยวมาช่ำชองจำนานมาหลายกลักบหลายกันแล้วที่ให้จะไม่ให้มันท่องเที่ยวเหมือนแต่ก่อนจะให้รู้อยู่ที่รู้เลยนะบังคับ บังคับจะบังคับอย่างไรเพราะมันไม่มีตัวมีตนก็ต้องอาศัยลมเข้าลมบอกเป็นเครื่องระลึกของจิตของใจของพระไทยของพระองค์ลมเข้าก็รู้ลมบอกก็รู้นั่น ก่อนนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรสอนพุทธโธธรมโมสังโฆอรหังหรือว่านุกยุบหน่อพังหนอก็ไม่มีาศาสตราูุบาอาจารย์ที่ไหนสอนเลยพระองค์อเป็นพูทฉลาดกําหนดเอาสิ่งที่มีอยู่ น, ะนะี่แหละอคือลมเข้าลมออกก็มีอยู่ทุกชีวิตนะพระองค์ก็มีก็เลยเอาสิ่งที่มีอยู่เอาจิตก็เอาจิตคือความรู้คือความคิดเนี๋ยไปผูกกอาไว้ ไประลึกนึกไว้ที่หลมเข้าหลมออกสติคือความระลึกได้ก็ามระลึกอยู่ตรงนั้นสำปชัญญะคือความรู้สึกรู้สึกตัวก็รู้สึกอยู่ตรงนั้นความรู้ทั้งหลายทั้งปวงให้รู้จุดเดียวแล้วก็ตั้งออกตั้งใจละมัดระวังมันกระสับกระสายบ้างบางครั้งบางทีตามนิสัยของจิตที่เคยคิดเคยนึกแต่ไม่ให้ออกไปจุดนั้นรู้พอรู้แล้วมันก็เข้ามาอยู่จุดนั้นรู้แล้วมันเข้ามาอยู่จุดนั้นผลสุดท้ายก็เข้าใจนะ ตามการบังคับพระถ่ใจของพระองค์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหนวเพื่อสัจจะเอาอยุดจุดนี้แล้วให้มันได้เมื่อภาคเพียรพยายามไม่ลดละไม่ขาดลักขาดตอนขันติอดกันอดทนงลง้ไปนะ ถึงทุกเวทันน่าจะาเกิดขึ้นมาเลยเกิดขึ้นมาทางกายก็รั่วทุกวนกำหนดเทรู้รู้เที่ยงนั้นแท้เที่นั้ น, น, นไม่เอาทุกบ่เป็นเราไม่เอาเรามาเป็นทุกวังนั้นแต่นะที่ว่าพระพุทธองค์ของเราได้ตดรัสโลหิยาสัตตีคือทุกวนกําหนดเทโลเนี่ยไม่ผิดเลยพระพุทธองค์อ่า กำหนอดอย่างนั้นอย่างเดียวถึงอะไรจะเกิดขึ้นทุกจะเกิดขึ้นโดยจิตทัาชัยห้องใจห้องจะคิดถึงพิมหาราหุนคิดถึงบ้านอะไรผอมีอะไรเอามันคิดไปอนะ่พอได้สติได้สติได้ได้ความรู้สึกปุ๊บตั้งเขาไปปั๊บเข้าไปจุดนั่นเลยเนี่ยผูกไว้กับเหล่ามีเชือกผูกไว้กับหลักที่ปักไว้แน่นหนามันคงนะเชือกก็ไม่ขาดหลักก็ไม่ถอนอย่างเงี้ยเป็นต้น อ่าโยกขับเขว่าลมเข้าลมบอกบอกรู้รู้ ร, รู้รู้อย่างเดียวนะ่ะนั่นกัก็ินเข้าใจว่าเออสภาพของใจมีสภาพรู้เท่านั้น อ, อความคิดเป็นเรื่องของสารขังขานเป็นเรื่องของสัญญาเป็นเรื่องของอะไรต่อเมี่อะไรแต่เป็นเรื่องของภายนอกไม่ใช่ตั ว, น, ตวนั้นอาตัใจเอาแท้โดยธรรมตัวนั้นเอาคือใจนี่มีสภาพรู้เท่านั้น ฉะนั้นพระองก็บังคับพระทยใจพระองเข้าสู่จุดนั้นได้ก็เด็กน้องเขา้าไปสู่ความสงบสง บ, สง บ, สงบเข้าไปจนถึงอัปนาสมาธินั่นเนี่ยสงบร่างกายกับพระทยกับใจพระองคไม่ใช่กันเดียวกันเลยรู้ดูที่รู้ก็รู้ว่าร่างกายเป็นร่างกายผู้รู้อยู่คือผู้รู้อยู่ที่รู้รูู้ที่รู้แยกกันได้เลยนะแต่ยังไม่ได้ตัดรู้ งนานประฐานแท้ของจิตฐานเดิมของใจเขา้าใจไหมมีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่เราพวกเราไม่ได้ประกอบอุโบสถธรรมบางเป็นลักษณะอย่างที่ว่าอ่ามีแต่ชิดเพราะอันนั้นเป็นชิดเพราะอันนี้ภายเป็นอย่างนั้นเพราะอันนี้ภายเป็นอย่างนี้อ ปาถนาทํบาบนแรกปาถนาอย่างนั้นอย่างนี้มิได้ชิดออกไปข้างนอกไม่เคยชิดย้อนเข้ามาสู่ภายในคือจิตใจของตนเองเมื่อต้นเหตุของพระองค์ที่ได้ก่อนจะได้ตัดสรุปสกและทุกข์ดีและชั่วเกิดขึ้นจากจุดนี้ละเข้าใจไหมนี่คือฐานแห่งการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าเข้าถึงฐานฐานของจิตเดิมฐานของพระใจของใจของพระพุทธเจ้ามีสภาพรู้อย่างนั้น เมื่อจิดใจเข้าสู่พระฐานคือความรู้อย่างเดียวแล้วทําไมจะมีมีไหวพรมีคติมีสติมีความรู้เข้ามาแทรกว่าอันนี้ตัวเองเป็นเหตุทําให้เป็นเหตุทำให้จป็นเหตเป็นปัจจัยอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยทำให้จิตใจว้าวุ่นคนว่าทําให้จิตใจท่องเดียวในพบน้อยพบใหญ่ไปะยึดมั่นสําคัญไม้ ต, ตั้งตั้งนั่นละเข้าประใจเป็นเหตุเพราะใจดำเนเีเ่ยไม่มีการรักษาไม่มีการปฏิบัติ เข้าถึงจุดนี่ได้ไม่ไงจะม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติปัญญารักษาจิตยิ้มเลืล่อนไม่ไมีเครื่องมือเป็นเพื่อรักษาอ่ายิ้มเลืล่อนไปตามพบน้อยพบใหญ่เข้าบ้านแล้วนี้ออกบ้านหลังนี้ก็ไปสู่บ้านหลังนั้นออกจากอารมณ์นี้ก็ไปสู่อารมณ์นั่นชิดอย่างนั่นก็ชิดอย่างนี้เรื่อยเปลี่ยไ ป, ไปนี่แหละการท่องเทีย่ยวของจิตดวงเดียวเนี่ยเข้าใจไหม ฉะนั้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปอ่านพรนัมาแล้วในพวกเรานะขอฝากในความคิดเอาไว้พยายามทํากระทําเหมือนกับพระพุทธองค์ทรงกระทำแม่ไม่กําหนดลมหายใจตามอย่าลิงลิ้นสสยที่เรากรําหนดพุโ ท, ทโธธรมโมสงังโฆมันส์มัน ส, นสบายมันง่ายดีก็เอาอย่างนั้นก็ได้หรือเพ่งในร่างกายจุดใดจุนหนึ่งก็ได้นะเป็นเครื่องระลึกของสติรู้จุดดีรู้รู้จุดดีโลอ่ามันจะคิดคือที่มันเคยคิดก็ปล่อยมันไป พอรู้เท่านั้นมันกระจบพอรู้เท่านั้นมันก็หยุดเข้าใจไห่แต่ความรู้มันจะเด่นทางงานขึ้นมาความสุขไม่เคยเกิดก็จะเกิดความสบายไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาจากผู้ปฏิบัติจะเป็นปัจจังไม่ต้องมาถามไกลเนี่ยเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าของเราเริ่มจะได้ตรัสรู้เคารู้รู้หุดท่รู้และแคะนั้นก็เกิดละเอียดเข้าไปจนเกิดอะไรเกิด อติังสยามอนติังสยาแล้วจิตล็อกแปกลร ก, ลกลมันก็ต้องอะพะู้ไทยใจโล่งพอสร้างบลเมมามา ก, ม, า ก, ม, ากมันก็เกิดอติตังสยารู้ไปเรื่องอดีตความเป็นมาของเราจนถึงขณะนี้มันนั่นงอยู่จุดนี้เพราะอะไรเป็นเีตเป็นปัจจัยทำอะไรแต่ อ, อะไรมาแล้วท่านนั้นยังมาถึงจุดนี้นะ เนี่ยออกจากจุดนี้แหละนะถ้าเราเราจะผ่าจุดนี้เลยใช้พรรามปัดกวาดเช็ดตูดูแลจุดนี้ให้บริสุทธิ์ให้สะอาดที่สุดให้หลอดพ้นในภพนี้ชาตินี้นป่าช้าจะให้มันจบในภพนี้ชาตินี้เลยว่างไงที่สำหรับพระไตยใจพระองค์ที่อ่าที่แส ด, แสดงออกพิจาอ่าพูดพในคําที่ว่าก่อนที่ที่พระองค์ได้ในอุบัติขึ้นครั้งแรกนัน่น โคอาตมิโลกัสสะเนี่ยอืมเฐ์ธัวเศรษฐ์ัวอาตมิโลกัสสะเศรษฐ์ธัวอ ม, มิโลกัสสะอ า, ามันติมาชาตินาถีดานิปุนัพภาวเนี่ยมาจำได้แลยรู้ได้เลอืมความคิดอย่างนั้นกับความคิดขนาดนี้นะ่ะเขาว่าบวกกันแล้วรัว่าตั้งมันไม่หวั่นไหวเี่ก็เลยเกิดอตื่ตังสยานรู้ที่มาของจิตตรงนี้ที่ไปที่มาของจิตตรงนี้ก็ม่วนเข้ามาแล้วก็น้อมเข้ามาไม่รุ่งหลงสงสัยเลยนะ นี่เป็นเหตุจิตมันท่องเที่ยวก็อนี้เป็นเหตุฉพะนั้นมีเมื่อมีสติเป็นเหตุมีสมาธิเป็นผลเมื่อมีสมาธิเป็นเหตุมีปัญญาเป็นผลปัญญาเป็นเหตุเกิดขึ้นก็สอนตนสอนจิตถองตนสอนจิตสอนใจผลาญของพระองค์นะ ใจเริก็ะเ้ยื่อเริ่มเกิดเกิดความรู้ที่ฉลาดอ่ะอันนั้นเป็นสิ่งนั้นอันนั้นเป็นสิ่งนี้รูปไม่ใช่เราเราไม่ใช่โรคกายไม่ใช่ใจใจไม่ใช่โรปลักษณะแบบนั้นล่ะนะรู้เลยแธนาก็ไม่ใช่อันเดียวกันอย่างไรเวลาขณะที่เราเจ็บเข้าปวดขาเจ็บเจ็บเข่าปวดขานี่แต่มันแยกกันไม่ได้เพราะเราไม่ยังไม่มีการปฏิบัติที่ชัดเจนด้วยว่าเช่นงวดกวดขันสติสมาธิปัญญายังไม่นั้หมัก แม่นหนามั่นคงแยกจยกักตัดไม่ได้เวลามันเจ็บมันปวดมันก็เป็นอันเดียวกันเลยนะเวลาท่านจิตท่าจะเข้าสูางสงบทุงฐานของจิตแล้วมันเป็นคนลาน เข้าใจไหมเมื่อเรานอนหลับหลับสนิทเข้าเพราะอะไรเนี่ยเข้าเพราะเาเนี่ยความหลับนี่มันหลับสนิทแล้วฟ้าจะฟ้าจะร้ะอง้นจะตกแดดจ่อไม่รู้เรื่องเลยขณะนั้นแต่จิตก็ยังเป็นจิตอยู่ใจก็ยังเป็นใจอยู่นะไม่สวนไปไหนตื่นขึ้นมาเอามี ค, ความรู้สึกนึกได้คิดได้ยังรู้ว่าจากอันนั้นเป็นเสียงอันนี้เป็นรู ป, อ, ปนนร อ, อันนั้นเป็นนามเข้าใจไหมเนี่ยพระองคเอาทั้งมาเปรียบเทียบจึงย้อนพมาสู่ปัจปจุบันปัจจุปนังโยโยธรรมัง ตัดตัดท่าที่ปัสจิตเลยนะปัจจุบันนี่แหะเป็นเหตุรักษาปัจจัยชัดเจนแจ่มแจ้งน้องเข้าไปสู่ความความสงบคือสมาธิเป็นเครื่องระลึกของของจิตเป็นรื่องเป็นที่อยู่ของใจแล้วนะเข้าข้ฐานเข้าฐานของจิตเดิมใจเดิมแล้วนี่ก่อนจะเข้าถึงจุดนั้นอีกต้องเกิดอนาคตต่งสยญญาณเพราะไงอำนาจก็ลมีธรรมดาคนเราย้อนไปย้อนมาเขาเห็นว่ามนุษยสัตว์ทั้งหลายนี่ เกิดมาแล้วทำบุญทำบาปทำดีทำชั่วแล้วเขาจะไปเกิดที่ไหนได้รับผลอย่างไรไปอยู่พบอะไรบ้างสองต่ำดำขาวอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยพระองค์ก็รู้เลย อรู้เลยว่าเอออันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นปัจจัยนั่นไม่สงสัยทั้งคดีและอนาคตประมวลเข้ามาน้อมออภาณายปวักเข้ามาสูปัจจุบันปัจจุบันนั้นจะโยธรรมั่งตัดทัดฐานทปัจติตัดมากเท่าไหรก็รู้ชัดเท่านั้นตัดออกมากเท่าไรก็รู้ชัดแจ่มแจ่มในฐานคือความรู้ของพระไทยคือใจของโรงเพราะสภาพของจิตของใจสภาพของจิตของใจเป็นผู้รู้อยู่แล้วต้องไม่น้อเสมอไปเข้าใจไหม มือมีสติเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นเหตุมีปัญญาเป็นผลมีปัญญาเป็นเหตุก็สังเิตถอนใจใจก็รับตามความเป็นจริงรู้ตามเหตุรู้ตามผลนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสโลอาสวัคขยายานขึ้นมาได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกเข้าใจไหมนี่ยพูดในทํางรวบลับตัดตอนแบบไม่ง่ายๆนั่งอยู่บน อญาตาิขุศะแปดกำมือเทั้นั้นแหละได้ที่จัะรลูของพระองค์เมื่อได้อยู่ที่อเสื้อลาแพนอ่ะเสื้อพรอมแดงอะไรชวยสดงน้ำอะไรดับนั่งอยู่ลาบบนลากโอเพราะอาศัยญาติขุศะแปดกำมือทั้นั้นแหละพระองค์ได้ ตั้งภาราอันแน่วแน่อและตั้งศัจธะคือมีศรัทธาความเชื่อมั่นว่าจะเอาให้มันได้ในภพนิชชาตินี้ตามที่ตั้งไว้ในขณะที่เราได้เกิดมาครั้งแรกและแขณะนี้เราก็ยังภาคเพียรพยายามห้ามหันบาปบันภาคเพียรพยายามให้รู้จักความจริงเมื่อถึงความจริงละกายก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้น เวทนาสัญญาสังหา ร, หารวิญญาณก็เป็นของจริงอยู่อย่างนั้นแม่มรบวบรวมด้วยควนจะเอามาใช้เป็นเครื่องมื่อนก็ได้ไม่เอามาใช้ก็ได้เมื่อแยกจากกันเข้าใจตามความหมายว่าโรคก็รู้จักว่าเป็นโรคนานก็รู้จักว่าเป็นหนามที่ว่าอยู่ด้วยกั น, ไ ม, นไม่เป็นไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษต่อกันที่ว่าไม่ให้ช้ำนะไม่ให้ขุนแต่ว่ที่ว่าก็าาเป็นสามลักษณ ไม่เป็นกรรมมโทษมันแต่ก่อนแต่ตอนใช้การถ้าเสียกันน่ายใช้ให้เป็นมนกลับเป็นกรรมโทษเขาจะแม่ที่แมเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงทิ่งได้เลยพอละโรคก็คือโรคโรูไปใชสังขารูรคคือสังขาราก่อขึ้นมาจาก ส่วนวมคนสุดท้ายก็ไม่เที่ยงคนสุดท้าก็แตกแยกกันไปสู่ธาตุเดิมเป็นธรรมดาเงิก็เหงินกันมีสุขกระทบที่เกิดขึ้นจากการเจ็ดกรรมบวชนั้นก็ไม่เที่ยงอมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแล้วดับไปมีแล้วหายไปพวกเรายอนคิดเคยคิดไหมขละที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือ น, นก็เป็นมั่นเดียวกันนะอ่าระหว่างร่างกายกับจิตใจเวลามันหายไปแล้วด้วยยาลรือว่าหายไปเ อ, องเทำไมเหมือ น, น, นกับ เงาก็ไม่มีถามหาตัวหาตนก็ไม่มีทำไมไม่รอนคิดเรื่องนี้ดูบ้างเนี่ยความคิดแบบหยาบๆก็ถือว่าเป็นกานเป็นการระดับหนึ่งเหมือนกันนะเคดใบเคดใบเลื่อยๆมันก็กลายเป็นยานันยืดเห่ากลายเป็นสติที่เราเผลอไม่ได้ ก็กลายเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วนั่นจิตต้องไม่ห่วงไหวระนายูในฐานะในความรู้าความรู้เป็นเครื่องวัดอันนั้นไม่ใช่ผู้รู้อันนั้นเป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสภาพรู้อันนั้นเป็นสิ่งเป็นสิ่งหนึ่งไม่ใช่เป็นสภาพรู้เข้าใจระหว่างกายกับใจไม่ใช่อันเดียวกัน เระหว่างเวทนาอาศัยกายอาศัยรูปอาศัยนามเกิดขึ้นหนึ่งรูปและนามนามและโลูปอาศัยกันเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเพราะรูปมันไม่เที่ยงนามอาศัยรูปเกิดขึ้นมันจะเที่ยงได้อย่างไรโลปเป็นทกอนิจกัรมทกขังอนัตตานามอาศัยกันและกันมันก็เป็นมือนเดียวกันแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ชัวระยะตามเหตุตามปัจจัยผพ้นท้ายหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วก็ดับไปมีแล้วดับไปมีแล้วหายไป สิ่งที่ไม่ดับคืออะไรอยากจะฝากพวกเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันว่าผู้ปฏิบัติจะเป็นปัจจัดตังไม่ต้องไปถามใครให้เสียเวลาจานนึงขอฝากแนวความคิดนี้เอาไว้ก็เห็นว่าวร้องทวนแก่เวลาด้วยกับการจะมี